4จตุกะวาระว่าด้วยหมวดสี่สอยยีอาบัตที่ภิกษุต้องด้วยวาจาของตนออกด้วยวาจาของผู้อื่นมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องด้วยวาจาของผู้อื่นออกด้วยวาจาของตนมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องด้วยวาจาของตน ออกด้วยวาจาของตนมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องด้วยวาจาผู้อื่นออกด้วยวาจาของผู้อื่นมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทางกายออกทางวาจามีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทางวาจาออกทางกายมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทางกาย ออกทางกายมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทางวาจาออกทางวาจามีอยู่อาบัตที่ภิกษุหลับแล้วจึงต้องตื่นแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุตื่นแล้วจึงต้องหลับแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุหลับแล้วจึงต้อง หลับแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุตื่นแล้วจึงต้องตื่นแล้วจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่ตั้งใจจึงต้องตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุตั้งใจจึงต้องไม่ตั้งใจจึงออกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุไม่ตั้งใจจึงต้องไม่ตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัทตที่ภิกษุตั้งใจจึงต้องตั้งใจจึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุ ต, ต้องอยู่จึงแสดงแสดงอยู่จึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องอยู่จึงออกออกอยู่จึงต้อง มีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องด้วยกรรมออกด้วยสิ่งที่ไม่ใช่กรรมมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรมออกด้วยกรรมมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องด้วยกรรมออกด้วยกรรมมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องด้วยสิ่งมิใช่กรรม ออกด้วยสิ่งมิใช่กรรมมีอยู่ว่าด้วยอนารยโวหารเป็นต้นโวหารของอนารยชนมีสี่อย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นกล่าวว่าได้เห็น 2. ไม่ได้ยินกล่าวว่าได้ยิน 3. ไม่ทราบกล่าวว่าทราบ 4. ไม่รู้ กล่าวว่ารู้โวหารของอารยชนมีสี่อย่างคือ 1. ไม่ได้เห็นกล่าวว่าไม่ได้เห็น 2. ไม่ได้ยินกล่าวว่าไม่ได้ยิน 3. ไม่ทราบกล่าวว่าไม่ทราบ 4. ไม่รู้กล่าวว่าไม่รู้ โวหารของอนาระยะชนแม้อีกสี่อย่างคือ 1. ได้เห็นกล่าวว่าไม่ได้เห็น 2. ได้ยินกล่าวว่าไม่ได้ยิน 3. ทราบกล่าวว่าไม่ทราบ 4. รู้กล่าวว่าไม่รู้โวหารของอาระยะชนมีสี่อย่างคือหนึ่งได้เห็น กล่าวว่าได้เห็นสองได้ยินกล่าวว่าได้ยินสามทราบกล่าวว่าทราบสีรู้กล่าวว่ารู้ว่าด้วยอาบัติปาราชิกปาราชิกของภิกษุทั่วไปกับภิกษุณีมีสปาราชิกของภิกษุณีไม่ทั่วไปกับภิกษุมีสี่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 อาบัตที่ภิกษุต้องรับหลังออกต่อหน้ามีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องต่อหน้าออกต่อหน้ามีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องรับหลังออกรับหลังมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่รู้อยู่จึงต้องรู้อยู่จึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุรู้อยู่จึงต้อง ไม่รู้อยู่จึงออกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่รู้อยู่จึงต้องไม่รู้อยู่จึงออกมีอยู่ อ, อาบัตที่ภิกษุรู้อยู่จึงต้องรู้อยู่จึงออกมีอยู่ว่าด้วยการต้องอาบัตเป็นต้นภิกษุต้องอาบัตด้วยอาการสี่อย่างคือหนึ่งต้องทางกาย 2. ต้องทางวาจา 3. ต้องทางกายกับวาจา 4. ต้องทางกรรมมวาจาภิกษุต้องอาบัติแม้ด้วยอาการอื่นอีก4อย่างคือ 1. น่ในถ้ำกลางสงฆ์สในถ้ำกลางคณะ 3. ในสำนักบุคคล 4. พระเภทเปลี่ยนแปลง ภิกษุออกจากอาบัตด้วยอาการสอย่างคือ 1. ออกทางกาย 2. ออกทางวาจา 3. ออกทางกายกับวาจา 4. ออกด้วยกรรมวาจาภิกษุออกจากอาบัตแม้ด้วยอาการอื่นอีก4อย่างคือ 1. น่ในถ้ำกลางสง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 ที่เกิดในภายหลังกลับดำรงอยู่ในบุรุษเพศอันเดิมพร้อมกับการได้เพศใหม่บัญญัติย่อมระงับไปบัญญัติย่อมดับไปการโจทย์มี4อย่างคือ 1. โจทย์ด้วยศีลวิบัติ 2. โจทย์ด้วยอาจารวิบัติ 3. โจทย์ด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. โจ์ด้วยอาชีววิบัติปริวาสมีสีอย่างคือ 1. ปฏิจฉันนะปริวาส 2. อ, อัปปฏิจฉันนะปริวาส 3. ส, สุทธันตะปริวาสสีสมุทานะปริวาสมานัมีสีอย่างคือ 1. ปฏิจฉันนะมานัตสออัปปฏิจฉันนะมานัต 3. ปักขะมานัต ส, ส, สโสมธทานะมานัตรรติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมีสอย่างคือ 1. สหวาสการอยู่ร่วมกัน 2. วิปปวาสการอยู่ปราศจาก 3. อนาโรจนาการไม่บอก 4. อูเนคเนจรณะการประพฤติในคณะสง์อันพร่องพระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองมีสอย่างกาลิกที่รับประเคนไว้ฉันมีสอย่างคือ 1. ยาวกาลิกเช้าถึงเที่ยง 2. ยามกาลิกวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง 3. สัตตาหกาลิก7วัน 4. ยาวชีวิตไม่จำกัดเวลาวันตลอดชีวิต 5. ยามหาวิกัตมีสี่อย่างคือ 1. คูดสองมูด 3. เท่า 4. ดิน 5. กรรมมีสี่อย่างคือ 1. อะปโลกนกกรรม 2. ยัตติกรรมัม 3. ยัตติทุติยรรัติกัม 4. ยัตติจตุถกรรมัมกรัมแม่อื่นอีกมีสี่อย่างคือ 1. กรัรมเป็นวักโดยไม่ชอบธรรม 2. กรกัมพร้อมเพรียงโดยไม่ชอบธรรม 3. กรกัมเป็นวักโดยชอบธรรม 4. กรกัมพร้อมเพรียงโดยชอบธรรม วิบัตมีสี่อย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติ 3. ทิฏฐิวิบัติ 4. อาชีววิบัตอธิกรมีสี่อย่างคือ 1. วิวาธาธิกร 2. อนุวาธาธิกร 3. อาปั ต, ตาธิกร 4. กิจจาธิกรณ์ การประทุษร้ายบริษัทมี4ีอย่างคือ 1. ภพิกษุผู้ทุศีนมีธรรมสามจัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท 2. ภพิกษุนีผู้ทุศีนมีธรรมสามจัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท 3. อุบาสกผู้ทุศีนมีธรรมสาม จัดเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัทสอุบาสิกาผู้ทุศีนมีธรรมสามจัดเป็นผู้ประทุษร้รายบริษัทความงามในบริษัทมีสอย่างคือ 1. ภิกษุผู้มีศีนมีธรมธรมงามจัดเป็นผู้งามในบริษัท 2. ภิกษุณีผู้มีศีนมีธรมธรมงาม จัดเป็นผู้งามในบริษัท 3. อุบาสกผู้มีศีลมีทรรงามจัดเป็นผู้งามในบริษัท 4. อุบาสิ ก, กาผู้มีศีลมีทรรงามจัดเป็นผู้งามในบริษัทว่าด้วยพระอาคันตุกะเป็นต้นอาบัติที่ภิกษุอาคันตุกะต้อง ภิกษุ ผ, าาผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุะะผู้อยู่ในอาวาสต้องภิกษุอาคันตุกะไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุผู้เตรียมไปต้อง <im> ภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุเจ้าถิ่นต้องภิกษุผู้เตรียมไปไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุผู้เตรียมไปและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุผู้เตรียมไปและภิกษุผู้อยู่ในอาวาสไม่ต้องมีอยู่ว่าด้วยสิกขาบท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 ความที่สิกขาบทมีวัตถุเสมอกันและมีอาบัติเสมอกันมีอยู่ความที่สิกขาบททั้งมีวัตถุเสมอกันทั้งมีอาบัติเสมอกันไม่มีอยู่ว่าด้วยพระอุปชาต้องอาบัติเป็นต้นอาบัติที่พระอุปชาต้องแต่สัตวิวิหาริกไม่ต้องมีอยู่ อาบัดที่สัตวิหาริกต้องแต่พระอุปชาไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่พระอุปชาและพระสัตวิหาริกต้องมีอยู่อาบัตที่พระอุปชาทั้งสัตวิหาริกไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่พระอาจารย์ต้องแต่อันเตวาสิกไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่อันเตวาสิกต้องแต่พระอาจารย์ไม่ต้อง มีอยู่อาบัติที่พระอาจารย์และอันเตวาสิกต้องมีอยู่อาบัติที่พระอาจารย์ทั้งอันเตวาสิกไม่ต้องมีอยู่ว่าด้วยปัจจัยแห่งการขาดภรษาเป็นต้นการขาดภรษาที่ไม่ต้องอาบัตมีปัจจัยสี่อย่างคือ 1. งสงแตกกัน 2. มีพวกภิกษุประสงค์จะทำลายสงฆ์ 3. ม, มีอันตรายแก่ชีวิต 4. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์วจีทุจริตมี4อย่างคือ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจอ้อวจีสุจริตมี4อย่างคือ 1. พูดจริง 2. พูดไม่ส่อเสียด 3. พูดคําสุภาพ 4. พูดพอประมาณว่าด้วยถือเอาทรัพย์เป็นต้นภิกษุถือเอาเองต้องอาบัตดหนักใช้ผู้อื่นต้องอาบัดเบามีอยู่ภิกษุถือเอาเองต้องอาบัดเบาใช้ผู้อื่นต้องอาบัตดหนักมีอยู่ภิกษุ ถือเอาเองก็ดีใช้ผู้อื่นก็ดีต้องอาบัดหนักมีอยู่ภิกษุถือเอาเองก็ดีใช้ผู้อื่นก็ดีต้องอาบัดเบามีอยู่ว่าด้วยบุคล ค, บคลควรอภิวาทเป็นต้นบุคคลควรอภิวาสแต่ไม่ควรลุกรับมีอยู่บุคคลควรลุกรับ แต่ไม่ควรอภิวาตมีอยู่บุคคลควรอภิวาตและควรลุกรับมีอยู่บุคคลทั้งไม่ควรอภิวาตทั้งไม่ควรลุกรับมีอยู่บุคคลควรแก่อานะแต่ไม่ควรอภิวาตมีอยู่บุคคลควรอภิวาตแต่ไม่ควรแก่อานะมีอยู่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 อาบัตที่ภิกษุต้องในการและในเวลาวิการมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่ต้องทั้งในการทั้งในเวลาวิการมีอยู่กาลิกที่รับประเค้นแล้วย่อมควรในการแต่ไม่ควรในเวลาวิการมีอยู่กาลิกที่รับประเค้นแล้วย่อมควรในเวลาวิการแต่ไม่ควรในการมีอยู่ กาลิกที่รับประเค้นแล้วย่อมควรในการและในเวลาวิการมีอยู่กาลิกที่รับประเค้นแล้วย่อมไม่ควรทั้งในการทั้งในเวลาวิการมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในปัจจันตะชนบทแต่ไม่ต้องในมัชชิมะชนบทมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในมัชชิมะชนบทแต่ไม่ต้องในปัจจันตะชนบทมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในปัจจันตชนบทและในมัชชิมชนบทมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่ต้องทั้งในปัจจันตชนบททั้งในมัชชิมชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรในปัจจันตชนบทแต่ไม่ควรในมัชชิมชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรในมัชชิมชนบท แต่ไม่ควรในปัจจันตะชนบทมีอยู่วัตถุย่อมควรทั้งในปัจจันตะชนบทและในมัชิมะชนบทมีอยู่วัตถุย่อมไม่ควรทั้งในปัจจันตะชนบททั้งในมัชชิมะชนบทมีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในภายในแต่ไม่ต้องในภายนอกมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุต้องในภายนอกแต่ไม่ต้องในภายในมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในภายในและในภายนอกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่ต้องทั้งในภายในทั้งในภายนอกมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในภายในสีมาแต่ไม่ต้องในภายนอกสีมามีอยู่อาบัตที่ภิกษุ ต้องในภายนอกสีมาแต่ไม่ต้องในภายในสีมามีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องทั้งในภายในสีมาและในภายนอกสีมามีอยู่อาบัติที่ภิกษุไม่ต้องทั้งในภายในสีมาทั้งในภายนอกสีมามีอยู่อาบัติที่ภิกษุต้องในหมู่บ้านแต่ไม่ต้องในป่ามีอยู่ อาบัตที่ภิกษุต้องในป่าแต่ไม่ต้องในหมู่บ้านมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องทั้งในหมู่บ้านและในป่ามีอยู่อาบัตที่ภิกษุไม่ต้องทั้งในหมู่บ้านทั้งในป่ามีอยู่ว่าด้วยการโจทย์เป็นต้นการโจทย์มีสอย่างคือ 1. โจทย์ชี้วัตถุ 2. โจดชี้อาบัติ 3. โจดห้ามสังวาส 4. โจดห้ามสา ม, มีจิกรรมบุพกิจมีสี่อย่างความพรั่งพร้อมมีสี่อย่างอาบัตปาจิตตีไม่มีอะไรอื่นมีสี่สิขาบทภิกษุสมมติมีสี่สิขาบ ท, ก, มมมาบทการถึงอคติ คือความลำเอียงมีสอย่างคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัวการไม่ถึงอัคติความไม่ลำเอียงมีสคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง -4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุอลัชชีประกอบด้วยองค์สี่ย่อมทําลายสงฆ์คือ -1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุผู้มีศีลดีงามประกอบด้วยองค์สี่ ย่อมสมานสง์ที่แตกกันแล้วให้สามะคีกันคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุผู้ประกอบได้องศีอันภิกษุไม่ควรถามวินัยคือ 1. ลอําลำเอียงเพราะชอบ 2. ลํลำเอียงเพราะชัง สาลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัววินัยอันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สี่ไม่ควรถามคือ 1. นึ่ลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สอันภิกษุไม่ควรตอบวินัยคือ 1. ล ำ, ล, ำ ล, ำ ล, ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัววินัยอันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สี่ไม่ควรตอบคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัว ภิกษุผู้ประกอบไดยองคสีอันภิกษุไม่พึงให้คำซักถามคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัวภิกษุไม่ควรสนทนาวิันร่วมกับภิกษุผู้ประกอบได้อ ง, อสงคสีคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง สาลำเอียงเพราะหลงสี่ลำเอียงเพราะกลัวว่าด้วยภิกษุเป็นไข้ต้องอาบัติเป็นต้นอาบัติที่ภิกษุเป็นไข้ต้องแต่ไม่เป็นไข้ไม่ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุไม่เป็นไข้ต้องแต่เป็นไข้ไม่ต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุเป็นไข้และไม่เป็นไข้ต้องมีอยู่อาบัติที่ภิกษุทั้งเป็นไข้ทั้งไม่เป็นไข้ต้องมีอยู่ว่าด้วยงดปาติโมกการงดปาติโมกที่ไม่ชอบธรรมีสี่อย่างการงดปาติโมกที่ชอบธทรมีสี่อย่างจตุกะวาระจบ